ชีวมันมีระเบียบแต่ระเบียบโดยธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งคือระเบียบโดยกิเลสคือระเบียบโดยสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาอันหนึ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็จํากัดชีวิตเราไว้คือป้องกันไม่ให้มันเกิดกิเลสมันแหละแต่ว่าเป็นกิเลสมาใช้เป็นระเบียบให้กับชีวิตเราให้อยู่ในวงจํากัด แต่ชีวิตเราก็ดําเนินไปตามรูปรถกิ่นเสียงที่คอยบังคับมันเหมือนเป็นระเบียบมันมาจัดชีวิตเราว่าให้เราต้องวิ่งอะไรตื่นเช้าว่าเราไปทําอะไรสายมาไปทําอะไรตอนเที่ยงมาทําอะไรนะกิเลสมันมาจัดระเบียบให้กับชีวิตเราแต่ไม่ใช่ธรรมะจัดชีวิตท่นก็เหมือนว่าเหมือนเรามีระเบียบชีวิตเนี่ย หลายหคนเคร่งคัดกับระเบียบแต่มาเคร่งคัดกับระเบียบของกิเลสระเบียบของประเพณีของสังคมของวัฒนธรรมของความรู้สึกนึกคิดที่เป็นฝ่ายอากุศลจิตที่มันปรุงแต่งให้เราเนี่ยเราก็เลยบางทีเราก็คิดว่าเราเราเป็นคนมีระเบียบรนะะเบียบวันนี้ยิ่งเคร่งคัดเท่าไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นศีลปตปรามาสเป็นความยึดติด ความผูกพันความนึกว่าเราเป็นคนเคร่งขลุ่มขลังอะไรไประมาณนะ้แต่จริงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความคลายตัวของกิเลสเนี่ยดูอย่างนี้นี่นี่นี่ต้นกล้วยเนะนี่ยสงสารต้นกล้วยเดินไปเจริญที่ก็สงสารสงสารว่ามันที่จริงมันจะออกหนอนนะ แต่เขามาจัดระเบียบแล้วเอาใส่กระถางไว้เหมือนชีวิตคนรวยนะจนอยู่แบบนั้นแหละเขาประดับตกแต่งดีประคบประงมมาดีกเกินแต่เขาให้มันอยู่ในกระถางคืออยู่ในระเบียบชีวิตขยับไปไหนมันก็ได้ไม่ได้มาปฏิบัติถ้ำสี่วันนี้ก็ยังลำบากแล้วคือมันออกจากกระถางไม่ได้ไงออกกระถางมันจะเหี่ยวนาดีเลยแต่พวกหนึ่งนะเขาไปอยู่ตามดวงตามป่านี่หายอยู่หากินเองกนะว้างไกลอาหารก็เยอะแยะ แต่มันไม่ได้อยู่แบบคุหนูเหมือนต้นนี้แต่คนในสังคมทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้เหมือนต้นกล้วยอย่นี้มันก็ชุ่มชื้นนะเบิกบานเนีย่ยเธอเหมือนต้นกล้วยนั่นแหละชีวิตนะ่ไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ออกหน่อกับเขาละ่ะไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้สูงทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกกระทางนั้นจัดรละเบียบเอาไว้ วัฒนธรรมระเบียบสังคมตีกรอบเอาไว้ให้เลยเราขยับไม่ได้แต่เราก็คิดว่าเรามีระเบียบเราสวยงามสวยงามไหมนี่สวยงามน่ยอยู่ในกระถางนันสวยงามแต่ความจริงธรรมชาติเขาไม่ใช่ไม้ที่อยู่ในกระถางนะแต่เขาก็จํายอมนานๆเข้ามันจะเปลี่ยนสปีชีส์นั่นเนี่ยยีนมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราถูกจํากัดเอาสักล้านปีเนี่ยปลูกอย่างนี้นี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมนุษย์ก็เหมือนกันน่ะ พอมันเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองในการเป็นภาวะที่จำยอมแบบนั้นเลยวิธีชีวิตผมก็เป็นแบบนี้นะ่ะอยาให้ผมเปลี่ยนอย่างนี้คงไม่ได้หรอกฉันก็เป็นแบบนี้องตาพวกเราไม่ไม่ใช่พระเน่ยจะเดินจูกลมได้เจ็ดวันห้าวันเพราะคุณไปเลือกเอาแบบนั้นไงคุณเลือกเข้าไปอยู่ในกระถางไงชีวิตคุณนะ่ะแนวคิดคุณก็อ ย, อยู่ในกระถางคุณจะออกนอกกระถางคิดนอกกระถางไม่ได้นะถูกกรอบข้องกิเลสตีกรอบเอาไว้ให้ มันนี้ออกนอกกรอบไม่ได้หรอกแนวคิดก็อยู่ประมาณนั้นแต่คนมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาอยู่กับกินอยู่กับระเบียบธรรมชาติเนี่ยมัน ง, ง่ายง่ายมันก็ดูดีนีไปไ ด, ได้เรื่อยๆน้ําฝนน้าอะไรแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีน้ำมาหยดให้ทุกวันวันมันมันอยู่กับความซื่อสัตย์นะถ้ามีน้ำมาหยดให้ก็ได้กินถ้าไม่มีน้ำมาหยดให้ตายนะนี้แต่นี้จะสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองก็ไม่ได้เพราะถูกจํากัดเอาไว้นะ จะออกลากออกห น, น่ออะไรนี่จะไปหาเองเหมือนอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างนี้มันหาเองนี่ไม่มีวันตายไอย้นี่ยจนหมดอายุมันนะนี่อันนั้นไม่ถึงหมดอายุนี่แต่ตายก่อนลองดูที่โลดเล่นเราไปสู่มุมกว้างของโลกดูดิในพื้นที่ของจิตที่มันไม่มีอะไรที่จํากัดเนี่ยแลว้วมันจะเป็นยังไงชีวิตเนี่ยไปอยู่ในสิ่งที่เป็นระเบียบแบบใหม่ดูดิดินแดนแห่งอริยะดินแดงแห่ง สุขาวดีเขาเรียกดินแดนแห่งสถานที่ที่เป็นโลกุตระภูมิเนี่ยออกไปดูดิจะให้มันเฉาตายได้หนอเดียวทั้งแต่เกิดมาอยู่ในดินแดนของโลกีดินแดนของระเบียบที่กิเลสมันจัดไปให้โอ้ยมันมันไม่น่าอนะ่ะเพราะชีวิตนี้เกิดมาโตมามันน่าจะโตถึงที่สุดของชีวิตเนี่ยได้รับประโยชน์ของการเกิดมาเป็นคนเนี่ยเต็มที่แต่นี้มันไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมันจำใจที่จะอยู่แบบนั้นมันไม่กล้าหนีออกจากกระถางกระถางไปจัดระเบียบให้มันมันก็ไม่ยอมออกก็เหมือนต้นกล้วยถ้ามันสวยงามไม่สวยงามแต่รอรับน้ําที่เขาลดให้อย่างเดียวนะมันรอรับแต่เงินเดือนเงินเดือนมามันก็สดใสขึ้นให้หน่อยแต่มันไม่ได้มันเหี่ยวลงขั้นขีดอะไรประมาณนั้นเอาน้ํำน้อนลวกก็ลวกตายนั่นแหละแต่ถ้าเป็นนีนี่เอาน้ํำน้อนลวกมันไม่ได้นะลวกตัวนี้ลากยังอยู่น้นก็มีนะมันไม่อยู่ที่เดิม ถ้าอยู่ในที่ทํางานสังเกต ด, ดูดิมันขึ้นอยู่กับเงินเดือนอยู่กับเจ้านายเนี่ยถ้าเขาด่าเนี่ยเสียมดเลยนะเสียจิตเสียใจเสียความรู้สึกเสีย เ, ยเพราะว่าชีวิตเรามันขึ้นกับเขานะรายได้รายจ่ายรายเสียนี่ไ อ, บอ้บกรในทำงานไม่เอาอ่าวเลยหมาไม่แดกมันว่ากูนะักขุดย้ายหนีก็ได้นะไอเห็นไหมมันเจ็บปวดไปหมดเลยอะ่ะนะแต่ถ้ามาอยู่ข้างนอกละ่ะถ้าเขาดุเขาดา่าเขาว่าเขากล่าว เหมือนคนที่ขอทานกินเนี่ยมันด่าก็ดา่าเถอะด่าบ้านนี้กับไปขอบ้านนอนชีวิตเขาเขาขยับไปไเรื่อย ๆ, ๆชีวิตเขาเนี่ยท่านก็ไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานมันได้แบบสบายๆชีวิตเนี่ยหรือถ้าเป็นไปได้นะถ้าปฏิบัติธรรมออกมาหาวิธีเหมือนหลายๆคนนะบริษัทนี้ก็ทำทำกับเจ้านายแต่ในขณะเดีวยวกันแอบตั้งบริษัทลูกเอาไว้ ลุงด่ากูมากกวามาอยู่บริษัทนี้นะกูเตรียมไว้แล้วเนี่ยไปไปนะกลางมุ่งไว้แล้วอีกบริษัทหนึ่งเขาก็เกรงใจทันเหมือนกันเนี่ยถ้าเขาไม่เอาน้ำมาลดให้ในต้นกล้วยเนี่ยมันก็กินได้มันมีที่อื่นกินนะ่ะมันไปหากินมันอย่างลงไปโน้นในหนองใ น, นมันมาหาเองท่านชีวิตที่ อิสระเสรีนะรู้จักปฏิบัติทํารู้จักฝึกรู้จักฝนเนี่ยจิตไม่ไม่พึ่งลาบที่เขาจะให้ไม่พึ่งยศที่เขาจะให้มันไม่ได้พึ่งสารเสริญที่เขาจะหยอดให้แต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้ให้อะไรล่ะเงินอะไรประจำปีนะมนไม่ได้รอหวังรออะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่จิตมันกว้างนะมันมีน้ําทํารสดใจมันตลอดเวลานะสบายชีวิตเนี่ย ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิตสดใสอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่พุ่มไม้ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สะดวกสบายแต่บางคนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเขาโตมาในกระถางตลอดเวลาเนี่ยแลว้วไปอยู่ในกระถางอยู่ในระเบียบของสังคมสมมุติแต่บางคนไม่ได้ไปอยู่ในสังคมสมมติแบบนั้นนะแต่เขาอยู่ในรั้วของลบโกรธหลง รั้วของลาบยศสารเสริญครอบงินเอาไว้เนี่ยเขาออกไม่ได้อมันจัดระเบียบเลยเขาหยับไม่ได้เลยนี่เสียรายได้นะนี่นเสียนั้นเสียนี่ขึ้นมานะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> ยิ่อยู่ในสังคมคนเนี่ยถ้าทําให้มันถูกใจคนหลอกเอาเงินคนง่ายง่ายสังคมนะอย่างเขาทําธุรกิจนะเอารูปมาหลอกเอารถเอากินเออเสียงมาหลอกแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราทําถูกใจเขาก็ได้ประมาณนั้ น, นมันไม่ยากอะไร แต่ถ้าอยู่กับความจริงเนี่ยยากนะะแต่มันก็ง่ายกว่าที่คิดชีวิตที่อยู่กับความเป็นจริงเนี่ยมันจะง่ายๆแต่ว่ามันทำใจหน่อยช่วงแรกเท่านั้นเองเลยหลายคนนะเนียวไปอยู่ป่าอยู่ดองอยู่รีสอร์อยู่ไรฮาผักกอดสารพิษอะไรก็กินได้เลยนะมันจะกินยากเพราะคนคนมันมันรับไม่ได้ ก, ดกินมดกินแมลงกินหนูกินอะไรประมาณนั้นฝึกเอา หรือกินผักกินหญ้ากินอะไรประมาณ น, นี้ยก็กินได้ชีวิตไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสารเสริญเงินทองพอมีนี่ น, นหน่อยเอาพอปร ะ, ปะคองไปแต่ละวันเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายสบายเขาให้มีเงินสวัสดิการคนแก่เท่านะ่อยเดี๋ยนี้สบายอยู่แล้วแต่ก็มีนะบางระเบียบที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อจัดสรรชีวิตมนุษย์ที่มันมันทะลุระเบียบมันจะเกินโค้ต้าของเขาให้มาเป็นสัตว์โลกสัตว์มนุษย์เนี่ยแต่มันอยางมากกว่านั้นเขาก็ ป้องกันอว้เพื่อจัดระเบียบไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือฝึกจิตฝึกใจฝึกวัฒนธรรมมนุษยด์ดีกว่าสัตว์ตรงที่มีวัฒนะน่ยวัฒ น, ฒ น, ฒนธรรมวัฒนวัฒนะแปลว่าพัฒนาธรรมะที่พัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมากว่าสัตว์แต่วัฒนธรรมทางด้นศาสนาทางด้นจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีคนมันไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยมียิ่งทางตะวันตกทางอะไรนี่เขาไม่มี นะทางตะวันออกนี่มันมีแต่เราก็ไม่ค่อยพัฒนาอันนี้นะไปพัฒนาแต่เรื่องวัฒนธรรมนั่นแหละความเป็นอยู่ปัจจัยสีพ่พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะชีวิตเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนี่ไอ้กกนเนี่ยจริงๆมันก็พันโตกว่านี้นะกกพอมาใส่กระถางนี่มันจะเล็กเลกนะ็ต้นกบต้นผือเนี่ยทุกอย่างเลยแหละ พอใส่กรอบจะเสียท่ามหมดเลยชีวิตเราก็เหมือนกันถูกรูปรถกิ่นเสียงสร้างกรอบให้ชีวิตเราเนี่ยแย่ละขยับไม่ได้นะลูกหลานเราอยู่ที่บ้านถ้าเราไปตีกรอบให้มันก็แย่อีกล้นะให้มันอยู่กับอันนี้นี่มันจะไม่เข้มแข็งนะพอมาสู่โลกภายนอกกว้างๆแบบนี้มันไม่อดไม่ทนมันไม่เข้มไม่แข็ง มันไม่ฝึกไม่ฝืนเพราะมันอ่อนมันเป็นต้นเบีย้ยต้นกล้าที่ น, นิ่มนะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไปฝึกไปฝนไว้เถนะิะฝึกปฏิบัติธรรมไว้ที่นนที่นี่บ้างฝึกให้ใจเป็นอิสระบ้างสามวัน5นะวัน7จวันนีย้ยงน้อยก็คือถอยออกมานะ่ะมันชกมันสู้มันไม่ได้กินเลยเนี่ย สู้มาตั้งนานแล้วสู้ไม่ได้ก็ออกถอยออกมาเหมือนนั่งมวยแหละออกมาอยู่นอกเวทีมองดูก่อนจะไปชกกับมันยังไงนะเหมือนเราค้าขายเนี่ยค้าขายไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจตกยิ่งถ้าพวกขายหนังสือเนี่ยยิ่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระยะเนี่ยนะมองดูก็รู้นะบรรยากาศแบบนี้นี่มันขายยากก็ออกมาก่อนดูลูทางก่อนพักผ่อนก่อนหาใจก่อนมองเข้าไป ตลาดยังไงวะอะไรประมาณนั้นมาเดินโจโกมทำความเพียนแล้วเรื่อใหม่ทำใหม่คือออกมาหายใจนะ่ะแล้วเข้าไปใหม่เนี่ยนะเขามาฝึกจิตฝึกใจรักษาจิตใจเอาไว้นะ่ะมันมีความเข้มแข็งว่าจะถามอยู่มีความเห็นว่าใครว่าจะต่ออีกต่ออีกลงตาคือยู่อีกเอาลองเสียสละ ไปจะอยู่อีกก็อยู่จมูกเนเอาใครว่าอยู่ไม่ได้แต่อยากอยู่เอาโอ้เนอโอ้หลายคนเนี่ยเขาอยากอยู่แต่อยู่ไม่ได้เอาแค่นี้ก็พอแล้วหลอกกันไปวันๆ <c oughs> ก็ยังดีนะก็ยังมีน้ำใจนะ <c oughs> มีน้ำใจเอออยู่อยากอยู่อยู่ยก็มีทุระนะ <c oughs> อันตธ า, านิภิกขวีอมันตยามิโอนันตธ า, านิยังพันเตอาปุจฌามาพหูกิจยามยังพหุกรณยาเนี่ยเวลาเขาจะากับบท่านเจ้าขาพวกอฉันมีธุระมากพหุกิจยามีกิจธุระเยอะมากๆมามมยังนะพวกอีฉันพหุกรณียา มันมากมายแล้วเกินขอลาไปก่อนให้สัญญาค่ะว่าจะมาอีกแต่มันก็โกหกไปงั้นแหละมันโกหกให้สัญญาว่าจะมาอีกจะปฏิบัติอีกจะตั้งใจอีกขอลาไปก่อนระยะนี้ก่ตั้งใจนะแจ้งแจ้งให้ทราบไว้นะพรุ่งนี้นะ 6โมงเช้านี่จะให้ได้เห็นหน้านะแต่ละคนนะเพราะว่ารถตู้น่ะเขาจะมารับตอนตีห้าตีห้าก็คือหมายก็ว่าหกโมงค่อยตื่นขึ้นมามันไม่ทันรถเขาวันน้ไอ้ประออกไปมันทันนะตีห้าไม่ได้กินข้าวนะว่งนี้นะแจ้งให้ทราบก่อน ทีห้าไม่ได้กินข้าวอแต่จะเพิ่งจัดของนะฉันเข้าเพลแล้วไปจัดของไม่ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยจัดทีห้าก็รถก็ออกจากนี่ไปพรุ่งนี้จะทําการทํางานแล้วพรุ่งนี้จะทําได้เรอคุณหมอพวกมามาจากทางไหนนดิติดเสื้อแดงไหมนะเขาติดเขาถึงไหนมาติดไปหมดเลยเนะี่ยจะทํางานได้หรือ หยุดงานใช่ไหมไม่อยู่โอ้งานไม่หยุดอีกไม่คนเาอุตส่าห์คดีตาแล้วก็ยังไม่หยุดอีกไม่ได้หยุดงานไปทำงานต่ออีกเลยอดทนเอ า, าทำไงได้ <c oughs> มันเผด็จศึกช้าไปต้องเร็วกว่านั้นหน่อยกว่านั้นหวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่นะพรุ่งนี้วันที่สิบห้า ถ้าอยู่ถึงวันที่สิบหกก็จะให้หวยไปซื้อมาปฏิบัติทมด้วยได้สามตัวไปด้วยคนละตัวละตัวละตัวแต่ไม่ซ้ำกันนะรับรองอ่ะต้องแม่นนะ่ะคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเดียวกันมัก็จะไม่ได้เลยเนาะเอาเตรียมตัวระนมือเกิน